สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบาร น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชวิตสาวกครั้งที่สิบห้าเรื่องการครอบครองโลกครั้งที่สองพี่น้องครับความหมายของการครอบครองโลกนั้นสําหรับคริสเตียนแล้วไม่ใช่เป็นการครอบครองด้วยพลังอํานาจด้วยทางการเมืองหรือแม้กระทั่งเศรษฐกิจสังคมแต่เป็นการครอบครองโดยแผ่นดินของพระเจ้าก็คือบรรดาผู้ที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นขยายตัวออกไปครับ เราอยู่ในหลักความเชื่อเดียวกันเราเป็นพี่น้องกันและในขณะเดียวกันครับเราเป็นผู้ที่พระเจ้าได้ให้เราดูแลโลกนี้เมื่อพระเจ้าสร้างโลกในวันที่เจ็ดพระเจ้าพักผ่อนแต่ในวันที่หกพระเจ้าสร้างอาดัมซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตขั้นสูงสุดก็คือมนุษย์พระเจ้าได้มอบให้กับอาดัมว่าให้ครอบครองฝูงสัตว์ในเทะเล ฝูงนกในอากาศและสัตว์บกที่อยู่บนพื้นแผ่นดินเพี่นะครับสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ทําให้เราทั้งหลายรู้ว่าการครอบครองโลกนั้นอยู่ในความหมายนี้ก็คือเป็นการผดุงไว้ซึ่งความเป็นธรรมผดุงไว้ซึ่งกฎเกณฑ์ทางจริยธรรมะดุงไว้ซึ่งคุณงามความดีซึ่งเราต้องเผยแพร่คุณงามความดีเผยแพร่จริยธรรมในแบบที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเราพียนครับเมื่อวานนี้ผมได้จบลงด้วย ทำของท่านบิลลี่แกรแฮมเมื่อบริษัทน้ํามันสแตนดาร์ดมองหาผู้ที่อยู่ในตะวันออกไกลให้เป็นตัวแทนของบริษัทเขาไปพบคนคนนึงครับก็คือมิชชันนรีและคนนี้เป็นคนที่เก่งมากเขาเสนอเงินให้หนึ่งหมืนดอลลาร์นะครับสองหมืนห้าพันดอลลาร์และสูงที่สุดคือห้าหมืนดอลลาร์แต่มิเชันนรีคนนั้นก็ไม่รับครับทางบริษัทก็ถามว่าทําไมถึงไม่รับล่ะผมพวกผมทําผิดอะไรหรือ คนนั้นนะครับบอกว่าราคาของคุณก็ดีอยู่ครับแต่หน้าที่ที่ท่านมอบให้ผมนั้นเล็กเกินไปเพราะว่าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดได้เรียกผมให้เป็นผู้สอนศาสนาเป็นผู้รับใช้ของพระองค์พี่น้องครับการรับใช้พระเจ้านั้นถือว่าเป็นตําแหน่งเป็นหน้าที่ที่สูงที่สุดครับที่พระเจ้ามอบหมายให้กับมนุษย์รำคริสเตียนเรานั้นมีเสียงเรียกร้องที่สูงสง่าและสูงสงสวยงามมากเนื้อเสียงเรียกร้องทั้งหลายผมข อ, อย้ำอีกครั้งนะครับว่า คริสเตียนเราเนี่ยมีเสียงเรียกร้องที่สูงส่งและสง่างามสวยงามสูงเหนือเสียงเรียกร้องทั้งหลายของโลกถ้าเราตันหนักในข้อนี้ชีวิตของเรานั้นก็จะถูกยกขึ้นสูงครับจะเลิศลอยมากกว่านี้เราจะไม่พูดต่อไปว่าพระเจ้าทรงเรียกเราให้เป็นนายช่างฝาปานักวิศวกรฟิสิกส์หรือแม้แต่แพทย์แต่เราจะพูดว่าพระเจ้าทรงเรียกให้เราเป็นสาวกครับ สิ่งอื่นๆ น, นั้นเป็นเพียงอาชีพเสริมอาชีพรองเท่านั้นพี่น้องครับนี่คือการเย็บเต้นครับท่านอาคาทูดเปาโลโนั้นเป็นตัวอย่างในการเย็บเต้นเวลาที่ท่านต้องการซัพพอร์ตต้องการเงินต้องการปัใจจัยในการส่งเสริมการประกาศไม่มีคนสนับสนุนท่านเพียงพอท่านกลับไปยึดอาชีพเดิมขอ ง, ของท่านคือเย็บเต้นและเมื่อเย็บเต้นมีเงินจํานวนมากพอท่านก็ออกมารับใชพ้พระเจ้าใช้เป็นค่าเดินทางใช้เป็นค่ากินอาหารและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่า ท่านได้ช่วยเหลือคนมากมายจากการเย็บเต็นที่เองพี่นะครับเราจะเห็นว่าพระเจ้านั้นเรียกร้องให้เราเทศนาประกาศพระกิติคุณให้กับชนทุกชาติให้เป็นเป็นสาวกให้สร้างทิศจักให้เกิดการประกาศให้เกิดการอภิบาลเลี้ยงดูให้เกิดการสร้างสาวกให้โลกที่จะเป็นสาวกของพระเยซูเราจะทําไงครับให้โลกในยุคนี้รู้จักพระเยซูคําตอบก็คือใช้ได้หญิงที่รักพระเจ้าจนสุดหัวใจ และรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนั้นจะมีชีวิตแห่งการอุทิศตนครับมีชีวิตแห่งการอุทิศตนชายหญิงที่รักพระเจ้าจนสุดจิตสุดใจรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองจะมีการอุทิศตนที่เกิดมาจากจิตใจที่รักพระองค์ไม่จืดจางการอุทิศตนที่มาจากจิตใจที่รักพระองค์ไม่จืดจางเท่านั้นถึงจะขับเคลื่อนและทาให้งานนี้สาเร็จได้พี่น้องครับผมขออนุญาตพูดซ้ำอีกครัร้งหนึ่ง ชายและหญิงที่รักพระเจ้าจนสุดหัวจิตหัวใจและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนั้นทางการอุทิศตัวทําการอุทิศตัวนะครับซึ่งออกมาจากจิตใจแห่งความรักที่ไม่จืดจางของเขาเหล่านั้นเท่านั้นจึงจะทําให้งานนี้สําเร็จได้พูดง่ายๆก็คือคนที่รักพระเจ้าและปรารถนาที่จะตอบสนองตอ่อพระคุณของพระเจ้านะครับที่หัวใจไม่เคยหยุดรักพระเยซูเลยจะทําให้งานนี้สําเร็จพี่น้องครับเมื่อความรัก ของพระเยซูคริสเข้าครอบครองจิตใจของคนใดคนนั้นย่อมรู้สึกว่าไม่มีความเสียสละใดที่จะยิ่งใหญ่จนเกินกว่าที่เขาจะทําให้พระองค์ไม่ได้นะครับเมื่อความรักของพระคริสต์นั้นได้เข้าครอบครองจิตใจของคนใดเขาจะทํำสิ่งต่างๆได้หมดเพราะเขารักพระองค์ครับแม้ว่าจะไม่มีวันทําสิ่งเดียวกันนั้นเพราเห็นแก่ได้ฝ่ายโลก เขาจะได้เห็นว่าชีวิตของเขานีมีคุณค่าพี่น้องครับมากขึ้นครับการทำสิ่งเดียวกันให้กับโลก ก, กับการทำสิ่งเดียวกันให้กับพระเจ้าสิ่งไหนจะมีคุณค่ามากกว่ากันพี่น้องครับการที่เราจะช่วยคนหลายคนให้รอดรอดจากความผิดความบาปรอดจากขุมนรกนะครับไม่ให้จมลงไปในห่วงแห่งความบาปนั่นคือเรา กำลังช่วยคนให้รอดได้เยอะแยะมากมายคนเหล่านี้ครับจะยินดีเสะชีวิตให้กับคนอื่นเพื่อให้คนอื่นนั้นได้รับความรอดครับพี่น้องครับข้าไม่มีความรักก็หมดหวังไม่มีประโยชน์เลยงานของเราจะเป็นเหมือนฉิงฉาบครับพอส่งเสียงไปมันก็ไม่มีความหมายแต่ถ้าหากว่าเรามีความรักนะครับเป็นดาวส่องแสงนำทางแล้วเราก็สิ่งนั้นก็จะมีความหมายครับแต่เมื่อมนุษย์ร้อนใจนะครับ ออกไปประกาศพระกิติคุณมีภาระใจอย่างยิ่งยวดในการประกาศพระกิตคุณเมื่อ น, นั้นจะไม่มีสิ่งใดมาหยุดยั้งพรกิตคุณที่แผ่ขยายออกไปข้างหน้าได้เสียดายครับที่หลายคนรู้จักพระเจ้ามานานหลายคนรับใช้พระเจ้าในด้านต่างๆแต่ไม่มีภาระใจในการประกาศพระกิิคุณแสดงว่าเรายังไม่มีความร้อนใจพอครับหลายคนอาจจะทํางานบางท่านเต็มเวลาบ้างบางท่านครึ่งเวลาบ้างบางท่านรับใช้พระเจ้ามานานหลายสิบปีบ้าง นะครับแต่ยังไม่เคยนำมินยางสักดวงเดียวมาถึงพระเจ้านะครับมัวแต่ตั้งท่าตั้งท่าแต่ยังไม่ได้เคยทำสักทีพี่น้องครับผมอยากจะหนุนใจให้พี่น้องได้ออกมาครับอย่างน้อยๆเราเริ่มประกาศพระกฤติคุณกับคนที่อยู่ในบ้านของเราประกาศพระกฤติคุณอยู่ในที่ทำงานของเราชวนเขาให้มาเข้ากลุ่มแคร์ชวนเขาให้มาเข้ากลุ่มเซลชวนเขาให้มาโบสชวนเขาให้มาร่วมงานประกาศพระกฤติคุณพี่น้องครับ ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เรามีความรักพระเจ้าอย่างแท้จริงและเราจะมีความรักเพื่อนบ้านอย่างแท้จริงและเมื่อเป็นเช่นนี้จะไม่มีใครนะครับที่จะหยุดยั้งเราได้ไม่มีอะไรอุปสรรคปัญหาใดๆที่จะหยุดยั้งเราได้จากการประกาศพระบิดคุณและเราจะมีความร้อนใจครับเราจมีความรุ่มร้อนเราจะมีภาระใจเกิดขึ้นเพื่อนะครับให้เราลองนึกถึงภาพสาวกที่ถวายตัวแก่พระเยซูอ ย, อย่างสิ่นเชิงนะครับ โดยมีความรักของพระเจ้าเป็นแรงจูงใจเมื่อประกอบกันเข้าเป็นหมู่ใหญ่คนเหล่านี้ครับเดินทางเป็นมิชชันรีข้ามน้ําข้ามประเทศข้ามแผ่นดินไปนประกาศเรื่องราวอันทรงเกียรติขององค์พระบูญเจ้าเขาจะก้าวเข้าไปสู่เขตแดนใหม่ครับยังไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเขาจะนําทุกชีวิตที่เขาพบมาหาพระเยซูเขาอยากให้ทุกคนมานำมาส ก, การพระเยซูคริสต์พี่น้องครับเรามาดูครับในสมัยก่อนนั้นคนเหล่านั้นใช้วิธีไหนในการประกาศพรกิตติคุณ ตั้งแต่ยุคพระเยซูตั้งแต่รุ่นพระกิติคุณใหม่นะครับเราจะเห็นวิธีการประกาศใหญ่อ ย, อยู่สองวิธีด้วยกันวิธีแรกก็คือวิธีที่พระเยซูใช้ประกาศต่อหน้าสาธารณชนก็คือการเทศนาสั่งสอนกับคนหมู่มากอีกวิธีหนึ่งที่พระเยซูใช้ก็คือตรงพูดกับเขาเป็นการส่วนตัวพระเยซูนะครับใช้วิธีแรกไม่ว่าที่ไหนที่มีผู้คนมาชุมนุมกันก็ย่อมมีการเทศนาย่อมหาโอกาสที่จะประกาศข่าวประเสริฐเราเห็นว่า พิมพ์บรรยายถึงผู้คนมาชุมนุมกันเยอะแยะมากมายนะครับในตลาดบ้างนะครับในพิมพ์ใหม่ในคุกบ้างในศาลาธรรมบ้างในชายหาดริมฝั่งแม่น้ําฝั่งทะเลพี่น้องครับไม่ว่าทุกโหนทุกแห่งที่มีกลุ่มคนมารวมกันนะครับเราจะต้องหาโอกาสที่จะประกาศพระกิตติกุลความจําเป็นที่ต้องประกาศทําให้ไม่จํากัดว่าจะต้องเทศนาอยู่เฉพาะแห่งเท่านั้นวิธีที่สองครับก็คือใช้ พูดกับเขาเป็นรายบุคคลนี่เป็นวิธีที่พระเยซูฝึกสาวกสิบสองคนครับพระเยซูเรียกคนกลุ่มนี้มาเพื่อที่อยู่กับพระองค์และพระองค์ก็ฝึกเขาในทุดใช้เขาออกไปวันแล้ววันเล่าเกิดทักษะครับเกิดสกิลพระงสอนเขาถึงความจริงเรื่องพระเจ้าใช้เห้เาทํางานเตือนเขาล่วงหน้าถึงอันตรายและจะต้องระวังความสิ่งที่เขาจะต้องเผชิญความยากลําบากที่เกิดขึ้นและพระเยซูก็บอกเขาถึงแผนการของพระเจ้าครับและพระองค์ทรงตั้ง ให้เขาเป็นเพื่อนร่วมงานในการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์โลกนี้โรงใช้เขาเป็นดังฝูงแกะที่อยู่ท่ามกลางชุนักป่าครับโรงใช้เขาให้มีฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณสาวกจริงออกไปบอกให้โลกรู้พี่น้องครับเราทั้งหลายก็เช่นกันครับอัครสาวกเปาโลก็ทําอย่างนี้เช่นกันพวกเราทั้งหลายก็เช่นกันพี่น้องครับเราจะต้องเลือกคนที่ซื่อสัตย์นะครับ เลือกอย่างอรอบคอบอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นและสร้างควารัใจในที่สุดส่งคนเหล่านั้นออกไปนําคนอื่นๆมาเป็นสาวกอันนี้คือการสร้างสาวกครับพี่น้องพี่น้องครับผมถูกสร้างอาจารย์ผู้รับใช้พระเจ้าหลายท่านถูกสร้างศียปิบาลหลายท่านถูกสร้างและในวันนี้คนเหล่านั้นกําลังสร้างพี่น้องต่อไปผมขออนุญาตสร้างพี่น้องผ่านทางพระชนะเสียงสียปิบาลทุกๆเช้า หลายหลายท่านอาจจะไม่ยุตจากผมมีการส่วนตัวแต่ดิ้นให้ฟังเมื่อมีโอกาสพบกันก็ทักทายกันว่าอ๋อรู้จักกันเนอะรู้จักกันทางไหนครับรู้จักกันผ่านทางไลน์พี่น้องครับนี่คือความต้องการของผมที่อยากจะเสริมสร้างพี่น้องอยากจะให้พี่น้องได้มีกับนําคนมาเป็นคริสเตียจนจํานวนมากๆครับไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตามขอบคุณพระเจ้าครับที่ผมได้มีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะเสริมสร้างพี่น้อง ให้เป็นผู้ประกาศพระคติทคุณผู้ที่ยืนหยัดมั่นคงอยู่ในความจริงรักษาความจริงปกป้องความจริงและประกาศความจริงอาเมน